จเจลิญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2555เป็นวันหยุดราชการเป็นวันพืชมงคลเป็นวันที่พวกเรา ได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานไม่ต้องไปทำงานอีกหนึ่งวันจึงได้มาวัดเพื่อมาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของเราความเป็นสิริมงคลนี้พระพุทธเจ้าได้สอนตัสสอนไวใ้ในพระมองคนดสิ อยู่สาประการด้วยกันวิธีสร้างเสริมความเป็นเสิ่ยมงคลเช่นอเซวนาจบาลานันบัณดิตานันจเซวนาปูชาจาปูชนียานังเอตังบองคารมุตตังันนี่เป็นมงคลสาข้อแรกที่ ส, สอนข้อแรก ส, สอน อาเซวนาจะบาลานคืออยากคบคนพาคนโง่ mm hmm. คนพานทางภาษาบานี้แปลว่าคนโง่คนไม่ฉลาด mm hmm. บันดิตานจะเซวนา ana, mm hmm. ให้คบบันดิตบันดิตก็คือคนฉลาดูชาจะปูชนียานัง ให้เคารพบูชาบุคคลที่พึงแก่คบแก่ควรเคารพบูชานี่คือมงคลสามข้อแรกข้อแรกที่สอนไม่ให้เราครบคนพานเพราะว่าถ้าพบคนพานเขาก็จะพาให้เราไปตามทางของเขาคนพานมีลักษณะอย่างไรคนพานก็คือคนไม่รู้เหตุไม่รู้ผล ไม่รู้ตนไม่รู้บุคคลไม่รู้สังคมไม่รู้กาลเทศะไม่รู้ประมาทเช่นไม่รู้ว่าการเสพอบายามุขเป็นเหตุที่นำมาสร่งความเสือเเส่ อ, อเมเช่นดื่มเสวยยาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรความเกียดค้าน นี่คือจะเป็นสัญลักษณ์หรืออุปนิสัยของคนพาลถ้าเราพบใครรู้จักใครแล้วถ้าเห็นว่าเขาเสพสรายามันเน่นการพนันเที่ยวกลาคืนพบคนไม่ดีเป็นมิตรมีความเกลียดแค้าก็ขอให้เรารู้ว่านี่คือคนพาลคือคนโง่คนไม่ฉลาด เราอยากเข้าหาคนแบบนี้เพราะเขาจะมีอิทธิพลต่อต่อตัวเราเพราะเขาจะชวนเราไปทงในสิ่งที่เขาชอบทานั่นเองเดี๋ยวเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราไปเที่ยวกันคืนไปเล่นการพนันสอนให้เรามีความเกลียดคราสแทนที่จะ ชวนเราไปเรียนหนังสือไปเข้าห้องสมุดไปหาความรู้เขาก็ชวนเราไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์นี่คือลักษณะของคนพาถ้าคบกับเขาแล้วก็จะมีแต่ความสูญเสียต่างๆคือความอับประมงคนนั่นเองถ้าเราไม่อยากจะได้อับประมงคนอยากจะได้มงคน เราก็ต้องอย่าไปควบคุมพาแต่ถ้าเราต้องทํางานร่วมกันหรือมีกิจกรรมอะไรร่วมกันเราก็ทําแต่เฉพาะกิจกรรมที่เสริมสร้างที่มีคนมีประโยชน์แต่ถ้าเขาชวนเราไปในทางเสื่อมเสียเราก็อย่าไปอย่าไปเสียดายเพื่อนให้เสียดายความดี ให้กลัวความเสื่อมเสียที่จะตามมาต่อไปในโลกนี้มีคนเป็นร้อยล้านพันล้านเสียคนไปคนเดียวนี่ไม่เป็นปัญหาอะไรหาใหม่ได้แต่เสียตัวนี่แก้ลำบากเสียตัวเราต้อจะแก้ลำบากเราเสียตัวเพราะเราเก่งใจสิกลัวเสียเพื่อนเพื่อนชวนให้กินเหล้าก็ต้องกินกลัวเดี๋ยวไม่กินแล้ว ยาเสียเพื่อนจะไม่มีเพื่อนถ้าเสียเพื่อนอย่างนี้ก็ดีกว่ามีเพื่อนอย่างนี้ก็ดีกว่ามีศัตรูถ้าเขาว่าเพื่อนนี่แหละเป็นผู้ที่จะทําลายเราได้มากกว่าศัตรูเพราะอะไรเพราะศัตรูนี้เราจะคอยระมัดระวังเราจะไม่ให้เขามาทาลายเรา แต่เพื่อนนี่เราจะไม่ระวังเพราะเรามีความไว้วางใจกันคิดว่าเขาเป็นเพื่อนแต่หารู้ไหมว่าเขาเป็นศัตรูในค่าของเพื่อนแล้วเขาก็จะเช่าจูงเราให้ไปสู่ความทุกข์สู่ความสูญเสียต่อไปดังนั้นโรพจาจึต้งองสอนให้พวกเราอย่าคบคุผ่าน พระเจ้าสรงตัสว่าถ้าเราไม่สามารถคบหาคนที่เขาฉลาดกว่าเราดีกว่าเราหรือเถ้าเราคบเป็นเพื่อนได้ก็บอกว่าให้อยู่คนเดียวดีกว่าอย่างน้อยไม่ขาดทุนถึงแม้ว่าจะไม่ได้กาไรก็จะไม่ขาดทุนดีกว่าไปคบคนที่เร็วกว่าเราโง่กว่าเราเพราะว่าเขาจะ ดึงเราไปในทางที่เลวกว่าที่โง่กว่านี่เองนี่คือมงคลข้อที่หนึ่งถ้าเรารู้จักไม่คบคนทางชีวิตของเราก็จะไม่ตกต่ำอย่างน้อยก็ไม่คือถ้าไม่ไมเจริญอย่างน้อยก็ไม่เสือ่อมดีกว่าคบแล้วต้องเสื่อมอย่างแน่นอนข้อที่สอง ก็เป็นทางตรงกันข้างกันให้ครบบัณฑิตบันดิบก็คือคนชราคนเพื่อคนที่มีความรู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้การละเทวะรู้ประมาณคนอย่างนี้คบกับเขาแล้วเรามีแต่จะกําไรเพราะถ้าเราไม่รู้เขาก็จะสอนเราให้รู้ เราก็จะได้กําไรได้ผลประโยชน์อย่างพวกเราที่ต้องไปโรงเรียนไปมหาลัยก็เพราะว่าที่นั่นเป็นที่ตั้งที่อยู่ของบัณฑิตทั้งหลายนั่นเองบัณฑิตก็มีสองแบบบัณฑิตทางโลกและบัณฑิตทางธรรมที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้จะมีบัณฑิตทางโลกคือจะมีผู้เชี่ยวชาญวิชาการ ต่างๆ แ, แต่เป็นวิชาการทางโลกที่จะนำาอามาใช้ในการทามาหากินเป็นเลี้ยงชีพได้แต่จะไม่ได้มีวิชาความรู้ทางธรรมสถาบันที่สอนวิชาความรู้ทางธรรมก็คือวัดวาอาราม น, นี้เองนี่เป็นที่เราไปหาความรู้ทางธรรม ไปหาผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมามาความรู้สงสองแบบนี้ความรู้ทางธรรมนี้เหนือกว่าความรู้ทางโลกเพราะว่าความรู้ทางโลกนี้ถึงแม้จะรู้มากมากมายเพียงใดก็ตามก็ยังอยู่ในกรอบของ ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือไม่สามารถเอาตัวของตนให้หยุดพ้นจาก่างทุกข์ได้ต่อให้จบเป็นปัญญาเอกก็ตามก็ยังติดคุกได้เพราะว่าไม่รู้ตนไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้สังคมไม่รู้บุคคลไม่รู้กาลเทศะไม่รู้ประมาณนั่นเองแต่ผู้ที่ เรียนจบหรือได้เรียนทางทางโลกรู้รู้ความรู้ทางธรรมเข้าวัดได้ศึกษาเช่นพวกที่มาบวชนี้ถึงแม้จะบวชเพียงเจ็ดวันลาศิกขาไปเขายังเรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตก็คือทิศนี่เคำว่าทิศนี่ก็มาจากคําว่าบัณฑิตเพียงแต่เขาแทนที่จะใช้คําว่าดิตเขาใช้คําว่าทิศเพราะ ตัวอักษรมันดูเป็นเหมือนทอทหาร mm. คัามจริงเป็นหนึ่งทอนางมันทโท mm. แต่เห็นว่าเป็นเหมือนเป็นทอทหารก็เลยอ่านเป็นบัณทิตไปบันทิตเรียกสั้นๆก็เรียกว่าทิดนี่แปลว่าคนที่มาบวลดศึกไปนี้เขาก็ยกย่องให้เป็นบัณฑิตแล้วพราะเขาไม่ต้องรู้มากเขารู้เพียงรู้เจ็ดข้อที่นี้ก็สามารถทําให้เขา เอาตัวรอดได้แล้วดีกว่าเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นปีๆออกไปก็อาจจะไปติดคุกติดตลางได้ไปดูพวกที่เขาจบบนณริญญาแล้วไปเป็นผู้ผู้มีเกียรติในในในสภาผู้แทนราษฎรดูความประพฤติของเขาว่าเป็นอย่างไรประจารักันให้ชาวบ้านเห็นกันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือพวกที่เรียกว่า เป็นพวกบัณฑิตทางโลกคือเป็นผู้จบปริญญาทั้งนั้นเพราะถ้าไม่จบนี้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้แต่บางคนก็สมัครรับเลือกตั้งด้วยการไปปรอมแปลงปริญญาเห็นไหมนี่คือความรู้ทางโลกเป็นอย่างนี้จะไม่สามารถที่จะยับยั้งกิเลส ต, ตัณหาตัวที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้พอถูกเข้าจับได้ก็ต้องถูก เขาประจางถูกเขาปลดออกจากสภาอันมีเกียรติไปนี่คือเรื่องของการครบคนต้องคบคนชลริที่เรามาวัดเพราะเราได้มาพบคบกับพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระอริยสงสารกท่านอย่างนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวรอดได้ เพราะท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นั่นเองท่านไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาแก่มาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพลาดจากกันเพราะท่านรู้เหตุนั่นเองรู้เหตุของการเวียนว่ายตายเกิดรู้เหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยาก ต, าตา่างๆเช่นอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะ เรียกว่าอยากในการารมณ์ต่างๆอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากดื่อยากรับประทานอยากสัมผัสกับคนนั้นคนนี้อย่างนี้เรียกว่าการมาตัณหาถ้ามีความอยากนี้แล้วใจก็จะไม่สงบใจก็จะหงุดหงิดนำคาญใจว้าเวเวลาอยู่บ้านคนเดียวนี้จะเศร้าส้อยหงอยเหงาเพราะว่า มีความอยากที่จะไปดูไปฟังไปสัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆนั่นเองพอไม่ได้ออกไปก็มีความหุดหงิบเศร้า้อยน้อยเหงาเบื่อลายบางครั้งก็คิดอยากจะฆ่าตัวตายนี่แหละคือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากในการอารมณ์แล้วก็ความอยากมีอยากเป็นก็ทำให้เกิดความทุกข์ได้ ถ้าเราอยู่เฉยๆเราไม่มีความอยากเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขแต่พออยากมีแฟนอยากมีสามีอยากมีภรรยาขึ้นมาก็จะเกิดความหงุเหงิกใจใเวลาเห็นคนอื่นเขามีสามีมีภรรยาก็รู้สึกตนเองนี้ต่ำต้อยมไม่มีวาสนานี่เป็นความคิดของคนพาลของคนโง่ เพราะคนที่ไม่มีสามีไม่มีภรรยานี่แหละเป็นคนที่มีสุขกว่าคนที่มีสามีภรรยาเพราะว่าไม่ต้องทุกข์กับสามีไม่ต้องทุกข์กับภรรยานั่นเองพอมีแล้วต้องมาทุกข์กับเขาแล้วเขาจะซื่อสัตย์กับเราหรือเปล่านะเขาจะทิ้งเราไปเมื่อไหร่หรือถ้าเขาดีเขาจะตายเมื่อไหร่ตัวเขาตายถ้าเขาดีก็กลัวเขาจะตาย ถ้าเขาไม่ดีก็อยากจะให้เขาตาย <c oughs> ก็มีความทุกข์ถ้าเขาไม่ตายต้องอยู่กับเขาก็ต้องมีความทุกข์อีกนี่คือปัญหาที่เกิดจากความอยากมีอยากเป็นปัญหาความทุกข์อีกกันก็คือเกิดจากความอยากไม่ไ ม, มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่ทุกคนอยากไม่แก่ต้องไปหาหมอให้เสริมความงายู่เรื่อยๆอเพราความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บก็แสวงหายาวิเศษต่างๆมาคอยรับประทานกันกลัวจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายก็เช่นเดียวกันหาหมอหายามากินๆเรื่อยๆแต่หามาอย่างไรมันก็หนีไม่พ้นความจริงเพราะเราอยู่ในโลกของความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครหนีพ้นไปได้ถ้าอยากจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ก็จะทุกข์ไปจนวันตายแต่ถ้ายอมรับความจริงว่าแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายมันไม่ใช่ตัวเราของเราพระพุทธเจ้าสอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราได้รับมาเป็นของขวัญจากพ่อแม่เพื่อเอามาเล่นกับมันเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเองแต่มันมีอายุไขทุกอย่างในโลกนี้มันมีวันสิ้นสุดมีวันดับ ร่างกายนี้ก็เป็นอย่างนั้นเมื่อถึงเวลามันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามธรรมดาตามธรรมชาติของเขาถ้าเราได้คบบัณฑิตอย่างพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รู้จักการปล่อยวางรู้จักการละความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอละได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือ ผรู้เหตุเช่นเรามาวัดมาฟังธรรมานี้เราก็ได้ฟังความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครในโลกนี้รู้มาก่อนความรู้ที่พระพเจ้าสรงรู้นี้เรียกว่าอริยสัจสี่คือความจริงสี่ประการด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือความทุกข์ใจว่าอยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่ที่ข้างนอก ไม่ได้อยู่ที่คนนั้นอยู่ที่คนนี้ <backgrounds. S 1> และเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจก็อยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้คนอื่นเขาไม่สามารถทำให้เราทุกข์ใจได้ถ้าเราไม่ไปสนใจเข า, าเขาจะทำอะไรเขาจะพูดอะไรถ้าเราไม่ไปสนใจเขาเขาจะไม่สามารถทำให้เราทุกข์ได้ที่เราทุกข์เพราะว่าเราไปสนใจ แล้วก็เกิดความอยากเช่นเราอยากให้เ่าดีกับเราพอเขาด่าเราเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาปัญหาอยู่ที่เราพระเจ้าทรงตรัสว่าความทุกข์อยู่ในตัวเราอยู่ในใจเราแล้วก็เหตุของปัญหาก็คือความอยากสามประการนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นตามความอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา และการดับทุกข์ก็ดับที่ใจของเราเครื่องมือที่จะใช้การดับทุกข์ก็คือธรรมะนี่ mm. คือการปล่อยวาง mm. การรู้ว่า mm. ไม่มีอะไรในโลกนี้เ mm. ที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่เราสามารถไปกาหนดกดเกณฑ์ mm. ให้เป็นไปาทางความอยากของเราได้เ mm. ช่นเราไปกำหนดให้เขาดีกับเรานี้ไม่ได้ บางวันเขาก็ดีบางวันเขาก็ไม่ดีเพราะเขาเป็นอนัตตาอนัตตาแต่ว่าไม่มีใครควบคุมบังคับได้เป็นไปต่ตามเหตุตามปัจจัยตัวเขาเองก็ควบคุมตัวเขาไม่ได้เขาอยากจะดีแต่เขาก็ดีไม่ได้เพราะเขามีเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาไม่ดีนั่นเองเหตุปัจจัยก็คือกรรมหรือบาสนี่เองที่ทาให้คนเหล่านี้ ทำดีไม่ได้ถ้าเราเคยทำบาปมามันก็จะติดเป็นนิสัยไปเช่นถ้าเคยดื่มสุรามามันก็จะติดเป็นนิสัยไปมาเกิดนี้ไม่มีใครสอนให้ดื่มเลยมีแต่คอยห้าแต่กลับดื่มกักได้ก็เพราะว่าในอดีตชาติเคยดื่มม า, ามากมายนั่นเองจนติดเป็นนิสัยมาดังนั้นเราจะไม่สามารถที่ไป หวังหรือไปสั่งให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปบางเวลาเขาก็ทาได้แต่บางเวลาเมื่อวิบากแสดงผลออกมาเขาก็ลาไม่สามารถที่จะยับยั้งผลนั้นได้เช่นเวลาเขาโปรธอย่างนี้แม้แต่พ่อแม่เขาก็ฆ่าไดา้เรากงคนได้ยินเรื่อง ที่ลูกข้าแม่เพราะเอาข้าวไปส่งสายไปหน่อยความหิวทำให้โกรธแค้นมากเราเห็นว่าข้าวที่เอาไปให้นี้มีน้อยเหลือเกินถึงกับข้าวแม่ที่เอาข้าวไปส่งให้แล้วก็ต้องมาร้องโหยร้องไห้ทีหลังเพราะกินไม่หมดความโลกเวลามันเกิดขึ้นมามั น, ม, นมันจะทำให้เรานี้มองไม่เห็นความจริง เวลาเราหิวหิวนี่เราตักอาหารกันมากมายแต่พอรับประทานไปอิ่มแล้วรับประทานกันไม่หมดเสียส่วนใหญ่นี่เพราะความโลภมันจะหลอกเราว่าน้อยไปไม่พอต้องเอามากมากแต่พอรับประทานเข้าไปจริงๆแล้วรับประทานไม่หมดกันนี่คือเรื่องของการคบบัณฑิตถ้าเรามาวัดเราจะได้รู้จักเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุของความทุกข์ เรื่องของการดับทุกข์เรื่องของเครื่องมือที่จะมาใช้ในการดับทุกข์นี้เราก็จะได้สามารถอยู่เหนือความทุกข์ได้ถ้าไม่มีทพุวปตจ้ามาทรงสอนความจริงนี้พวกเราจะไปแก้ความทุกข์ที่ผิดที่เธอไม่ได้มาแก้ที่ใจเราจะไปแก้ที่สิ่งที่เราอยากจะให้ที่ทําให้เราทุกข์ ถ้าเขาทำไม่ดีเราก็ต้องไปปูดกับเขาไปขอร้องเขาให้เขาทำดีกับเราแต่แต่เราก็รู้ว่าทาได้บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ได้ก็ไม่นานพอคุยกันหน่อยก็ดีไปสองสามวันแล้วเดี๋ยวก็ไม่ดีขึ้นมาอีกแล้วเพราะเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้เขาไม่สามารถควบคุมตัวของเขาได้เวลาที่เกิด วิบากรรมที่ทําให้เขาต้องทําไม่ดีนั่นเองดังนั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสัรู้สั่งสอนเรื่องอริยสัจสีให้แก่สรรโลกจะไม่มีสรรโลกคนใดเลยที่จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนแล้วก็ปรากฏมีผู้หลุดพ้นจากความทุกข์กันเป็นจํานวนมาก ตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลมาจนถึงสมัยปัจจุบันแต่ต่อไปในอนาคตพอไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วทีนี้ก็จะไม่มีใครรู้วิวธีการดับทุกข์ที่แท้จริงว่าดับได้อย่างไรก็จะดับแบบรแบบาดน้ำมันเข้าไปในกองไฟนั่นเองกองไฟถ้าเวลาเราราดน้ำมันเข้าไปใหม่หมนี้ไฟก็ทำท่าจะดับเพราะตอนนั้นน้ำมันยังไม่ร้อน ก็เป็นเหมือนน้ำแต่พอสักครู่หนึ่งพอน้ำมันเริ่มร้อนขึ้นมาไฟนี้แทนที่จะดับกับลุกขึ้นมามากกว่าเดิมสิฉนใดเวลาที่เราดับวามทุกข์ใจของเราด้วยการทำความทาตามความอยากของเราเวลาเราได้ทําตามความอยากความทุกข์ใจก็จะหายไปชั่วคราวเช่นอยากจะดื่มสุรา พอได้ดื่มแล้วความทุกข์ใจก็หายไปแต่วันรุ่งขึ้นก็เกิดความอยากดื่นสุราและอยากจะดื่มมากกว่าเดิมเมื่อวานนี้ดื่มขวดหนึ่งพอวันนี้มาดื่มขวดยังรู้สึกว่าไม่พอเสียแล้วไม่มันเสียแล้วต้องดื่มเพิ่มอีกนี่คือความอยากจะเป็นอย่างนี้จะเทวีกูณไปเรื่อยๆแล้ว การที่เราจะแก้ความทุกข์ด้วยการทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นวิธีแก้แต่จะเป็นวิธีผูกให้เราติดอยู่กับกองทุกข์แน่นมากขึ้นไปอีกดังนั้นพวกเราจึงถือว่าโชคดีที่ได้มาพบกับบัณฑิตที่แท้จริงก็คือได้พบกับพระอริยบุคคลได้พบกับพระพุทธเจา้าผู้ที่ มีความรู้ในพระอริยสัจสิ 4. เป็นผู้ที่สามารถสั่งสอนให้พวกเรานี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่มีสถาบันใดการศึกษาสถาบันการศึกษาใดในโลกนี้ที่จะสอนเรื่องอริยสัจสีกันเพราะไม่มีใครรู้มีเพียงสถาบันของพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสอน แต่ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีมีน้อยมากถึงแม้ว่าจะเป็นวัดวาอารามแต่แทนที่จะสอนเรื่องอริยสัจสี่กับสอนเรื่องตัณหาเรื่องสอนให้ทำบุญมากๆเพื่อจะได้ร่ำรวยขึ้นมากๆเพื่อจะได้ได้ไปเกิดดีกว่าเก่าอย่ง น, นี้อันนี้ไม่ได้เป็น คำสอนที่แท้จริงคำสอนที่แท้จริงสอนให้เราละตันหาความอยากที่ให้ทานนี้เพื่อละความโลภอยากได้เข้าของเงินทองคือให้ปีไว้เท่าที่จำเป็นถ้ามีมากกว่านั้นให้เอาไปบริจาคให้เอาไปทำบุญให้หมดอย่างนี้จะได้ไม่โลภจะได้ไม่อยากมากไม่ได้สอนให้ร่ำรวยแต่สอนให้ดับความอยาก เพื่อจะได้มีความสุขใจคนที่ทำบุญด้วยความไม่โลภนี้จะมีความสุขใจอิ่มเอิบใจแต่คนที่ทำด้วยความโลภนี้จะไม่มีความสุขเพราะจะรอผลว่าทรมาต้องนานแล้วยังไม่รวยสักทีอย่างคนที่ชอบใส่บาตรทำบุญในวันลอตเตอรี่ออกนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยากจะถูกลอตเตอรี่กันก็เลยขอทำบุญสักวันหนึ่ง แต่พอตกเย็นตรวนลอตตอรี่ก็ไม่ถูกแทนที่จะมีความสุขที่เกิดจากการให้จากการเสียสละกลับเกิดความเสียใจขึ้นมาเสียใจที่ไหนไม่ได้ถูกคอตตรี่นี่คือความจริงพระพุทธศาสนาไม่ต้องการให้เราล่ำให้เลยต้องการให้เรามีความสุขทางด้านจิตใจ พรทรัพสมบัตินี้เป็นเหตุของความทุกข์ใจไม่ได้เป็นเหตุของความสุขใจมีทรัพย์มากเท่าไหร่ก็จะต้องมีความวิตกกัวงวลกับทรัพย์ที่มีอยู่แล้วก็จะมีความอ่อนแอไม่สามารถอยู่โดยที่ไม่มีทรัพย์ได้วันไหนถ้าเงินทองขาดมือแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่คนที่อยู่แบบไม่อา ใช้เงินทองไม่อาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขให้ก็จะไม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินทองเงินทองจะมาจะไปนี้ไม่เดือดร้อนเพราะว่ามีความสุขใจความสุขใจที่เกิดจากความไม่โลภไม่อยากได้เงินเท่าของเงินทองนั่นเองนี่คือวินี่คือการดับความทุกข์ด้วยการให้ทานไม่ได้ให้ทำให้ ไม่ได้ให้ทานเพื่อที่จะสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นมาเพราะความอยากได้อยากมีมากขึ้นไปทุกวันนี้ศาสนาของเราก็จะหดเข้ามาเรื่อยๆมีสิ่งแปดกองเข้ามาสอนให้เราหลงผิดกันไปเรื่อยๆแทนที่จะสอนให้เราละก็สอนให้เราสะสมให้เราเพิ่มความอยากขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้นเราเวลาไปเข้าวัดเราก็ต้องเหมือนกับเวลาที่เราไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเราก็ต้องศึกษาดูว่ามหาหลัยไหนเป็นมหาหลัยที่ดีที่ให้ความรู้แก่เราวัดก็เหมือนกันเราก็ต้องศึกษาดูว่าวัดไหนให้ความรู้กับเราวัดไหนให้ความหลงกับเรา ถ้าเราไม่ศึกษาเดี๋ยวเราไปเข้าเิดวัตแล้วเราก็จะผิดหวังเราก็จะมาเสียใจภายหลังแทนที่จะดับความทุกข์ก็กลับได้ความทุกข์เพิ่มขึ้นม า, มากขึ้นไปอีกนี่คือเรื่องของการคบบัณฑิตต้องหาบัณฑิตให้เจอถ้าไม่หาไม่สามารถหาบัณฑิตจากที่ไหนได้ ก็ไปในที่พระไตรปิฎกก่อนก็ได้พระไตรปิฎกนี้เป็นที่จารึกคำสอนของพพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มั่นใจในคำสอนของบุคคล mm hmm. ก็ให้เราไปศึกษาที่พระคัมภีร์ก่อนศึกษาไว้จะได้มีมาตรฐานเมื่อเรารู้ว่าพพระพุทธเจ้า ส, สอนอะไรซึ่งอย่างที่พูดไม่ต้องรู้มากให้รู้เหตุรู้ผลก็คือ อริยสัจสีนี้ก็คือเหตุและผลทุกเป็นผลเหตุก็คือความอยากการดับทุกขเป็นผลเหตุเขเหตุที่จะทําให้ดับทุกขก็คือการทําทางรักษาศี่ภาวนาให้รู้แค่นี้ก็พอแล้วเรียนพระไตรติดฎกให้เรียนแค่นี้ก็พอแล้วแล้วถ้าใครมาสอนนอกจากนี้ไปก็อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่ที่การดับทุกเพียงอย่างเดียว และการดับทุกข์ก็คือการทำบุญให้ทางการรักษาศีลและการภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาให้รู้แค่นี้ท่านทำแค่นี้ก็พอแนละ้วรับรองได้ว่าจะเป็นบัณฑิตขึ้นมาได้จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเรียนว่าตายเกิดได้ไม่ต้องไปเรียนพระไตรปิฎกทั้งตู้อย่าไปแบกพระไตรปิฎกให้เหนื่อย ไม่ต้องไปเรียนพระอภิธรรมให้มันยุ่งยากขอให้รู้ทานศีลภาวนาแค่นี้แล้วปฏิบัติให้ได้เถอแล้วรับรองได้ว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์หน้าอย่างแน่นอนนี่คือความเป็นมงคลที่สูงสุดคือการได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการได้บรรลุพระนิพพานพระบรมีสุดนี่แหละคือมงคลสาหรับชาวพุทธเรา ที่พวกเราควรที่จะมุ่งไปตรงจุดนี้มุ่งไปด้วยการปฏิบัติคือทําบุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาและมงคลที่พวกเราทั้งหลายปรารถนากันก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นในเรื่องในวันพุทธมงคนนี้ก็เลยขอฝากเรื่องความเป็นมงคลที่แท้จริงให้พวกเราทั้งหลาย ได้ไปพินิพิจาณากันคือไม่ครบผนพานครบบัณฑิตบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาให้ท่านได้ดำเอาไปพินิพิจน า, าและปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดิดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศเีวราชนรัย